เป็นโอกาที่สรหรับเราทุกชีวิตที่จะเกิดมาในสุภาพร่างกายทันดีได้ละชั่วได้โดยเฉพาะการิบัติธรรมนี้จะเป็นการศกษาที่สูงสุดของชีวิตเรา น า, าสรสะได้ไม่ต้องเปนาา็นลพ้ก็ได้แ้วก็จะโทษล้ะพองว่าไม่ต้องคิดอะไรยี่ทำให้ยากในต่อภาพจตุวะขอให้เห็นให้ดูในคำสอนเราก็จะองนง้น มาเกิดผู้ที่สมละตัดส่ส ม, ม, ส ม, มพอแต่พระภิกษุสม์ทั้งหลายว่าพิกูุทั้งหลายมา่ อ, อเธอเห็นเธออทฉันประธาาเ็กแล้วนั่งที่คนนั่สวดใดสวดหนึ่งตั้งกายตรงมีสติรู้สึกตัวทัวเข สนาลกายใจให้มีสตริรูส่สสกตัวนี่ก็จะได้เห็นธรรมูกธรรมอันยิ่งในการศึกษาว่าจะมีสติดูงกายดูงใจของเราให้รู้เท่ารูกธรรมรูกตัวรูร้คอ เราก็ดูกายที่แรกใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกเลือกจะเดินจงกองกับไปกับมาดูกายที่มันเคื่อไหวบางทจะลคิดใจที่มันคิดนไปอะไรที่มันคิดกรู้สึกแล้วก็กับมาดูมิิฏฐิเตัดออกไป ปะเียนรเจะยมาจัหวะไม่ใว่าก า, ารศึกษาคิตต่อเปสูตรหนึ่ง <c oughs> เป็นสุตรของคิตที่จะต้องจบตรงตรงนี้ไม่งั้นเราเรียนสดดูตรตื่นเต้นเอาการเป็นตราเอาจิตใจเป็นตราเราสติเป็นนักศึกษาข้าไปด้ ถ้าเรามีสติโลกกาย ใ, ใจเหมือนกับเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็ได้ตอบว่าได้เฉลยว่าแย่ไขว่ามันมาได้เปลี่ยนเป็นดีว่ามันมาผิดเปลี่ยนเป็นผิดว่าแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช่สติ เราจะรู้จุกตัวเอาสติไปเฉลยเสียก่อนเอาสติไป็นรับไปรับแฉะที่มันจะจอนมาสติเป็นเจ้าของมากเจ้าของกายเจ้าของจิตใจอะไรที่มันถาน ม, มาร่างกายทางใจสติออกเป็นลเหมือนกัเจ้าของมานอะไรผมก็ไปรับ เพื่อนพาะสงที่เดินพลรองมาอยู่ที่หน้าวัดเป็ น, ปนลับของตลอดให้นำพาเข้ามาอยู่ที่ที่ควร น, น่าสกนส ก, ก, การประกอบสงฆ์จะปอบกรดก็พามเ่ลัอใส่สมมติลับใหเพื่อนมือมิตถ้าไม่ใช่มิตรก็ไม่ทำลับฉันใดก็ดี การที่จะมาเข้าดูในกายใจของเราเนี่ยมันจะต้องมีตัวมีตน ม, มีผู้ดูมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นมันกงมากมากบางทีเราห้ายไปดูกายมัเห็นนั่นอื่นบางทีเราจะโดูการเคลื่อนไหวดูงไหายใจมันก็ไ่เห็นนั่นนึงมันไปกับความคิดบางทีมันชวนให้ลหลงมังวนอ น, นอนบางทีก็ขุ่มเร้า คามเครียดบางทีก็บางเลศสงสัยบางทีก็พยาบาทอะไรต่างๆที่มันจ่อมาให้เราเห็นเรารู้เราก็เฉยลยเราก็กลับมาหาที่ตัดที่ตัดเอ า, าอะไรเป็นอิมิตก็แล้วแต่ให้ตั้งเป็นที่เป็นทางให้ตั้งไว้เป็นที่เป็นทาง เกิมีสติตั้งไว้ที่งไหมยใจตั้งเวลานากันพลาดเร า, า, าก็เคลื่อนไปตั้งที่ใหม่อีกอาจจะไปตั้งไว้ที่กายที่ยกมือสาตงจันวะ่ะถ้าตั้งไว้กายกับยกมือสั่งจัวะนานไปบั น, น, าาานทัดทาให้เราเกิดปัญหาเราก็เปี่ อาจจะลุกขึ้นเดินจงกรมไปตั้งไว้กับการก้าวทีละ ก, ก้ากลับไปกลับมาระยะหน้านะอาจจะเกิดเวทนาปวดเมื่อยแล้วก็กําหนดรูปเห็นเวทนาชัดเจนที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นสุขของรูปของกายาสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นกับกาย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 เป็นผู้นาวเลยเห็นมันหนาวเป็นผู้หิวเลยเห็นมันหิวแตเป็นเราไม่ถูกแต่เป็นเราก็หมดตัวไม่ได้ดูหล้มก็ไปเลยทำไมดูแล้ก็ไม่ไม่เกิดปัญญาพอเลยเจ้าสอนไม่แต่ว่าดูว่าดูว่าดูมาดูกายมาดูเวทนามาดูคิดมาดูทำอจ่างนี้ให้เห็นจะเป็น วั่วตเป็นควมัว่วแล้วก็ไม่ค่อยจะฉลาลถ้าเห็นเราจะฉลาถ้าเห็นเราคนบกพ้นอรูตรงนั้นมักรตาที่เราเห็นัก็เกิดการลุกพน้นเดียวนะตาที่เราเห็นถนนคนทางก็เข้าก๊อเข้าคกเข้าโรงเข้าปากเข้ากานทางไปเรื่อยเห็นขอบเข็มน้ำาก็ไม่เหยียบน้ำ การเห็นมันก็ลดลงการเห็นที่เป็นตาภายในออก็เหมือนกันะเราจะเกิดการพวกเห็นจะเพิ่งตะเพิ่งไปละถ้าเรามีสตินะเพราะเราดูอยู่ว่าต้องเห็นสีที่เราดูมันผ่านมาให้เราดูหรอ้ยหยอกนะเดี๋ ว, ว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นศุนมันเป็นชุมทางของ สิ่งต่างๆต้องมาผ่านตรงนี้เหมือนชมทางพาคีทุ่มชมทางลาดนกขนลาดเสีมาชมทางหักใหญ่ชมทางสวยโอล่ลุกมันต้องผ่านมาตรงนี้มนะัเป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆจะมามดูมันเป็ น, ปนชุนทางของขอทางผ า, านของทุกอย่าง ความผิดความถูกความโศกความทุกข์ความชั่วความดีอะไรตา่างๆแต่เราเห็นกับ เ, เกิดการเกิดการฉลาดลูกจะเลือกนะลูกจะเลือกว่าจะมีสติมีตัวรู้เป็ น, เ ป, นเป็นหลักนะตัวรูกเป็นตัวหลักตัวรูกสืกได้เป็นตัวหลักหลให้มันมีพอสมควรนะวันเรามีตาให้เห็นเป็นแสงสว่างให้มันเห็นว่า เมื่ออะไรผ่านมาจะต้องเห็นแน่นอนตอนในคือความรู้สึกตัวของเรามันเป็นมันเป็นหลักมันเป็นหลักมันดูอยู่มันเห็นอยู่มันรู้อยู่ถ้ามันได้รู้เป็นหลักเวลามันหลงมันจะเก็บตากันแต่ไม่รู้เป็นหลักเวลามันหลงมันไม่รู้ว่าหลงกับรู้กันต่างกันแต่เมืตัวรู้เป็นหลักมันหลงกัรู้สึกตัวตั้งแมันไม่ต่างความหลงกับควารู้เน่ยมันต่างกัน ความหลงกความรู้สึกมันตากันารู้สึกเนี่ยมันถืออะไรมาเป็กควถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องมันเป็นอะไรต้อก็เลือกใช่ไหมควาหลงทีไรล่ะมีบทเรียนมีประสบการณ์ฉลาดข้อมันทึกถ้าเราไม่ดูลก็ไม่เห็นหรือเมื่อมเมื่อไม่ทามันก็ไม่พลาดถ้าคนทาแล้วต้องผิดพลาด มันก็เกิดฉลาดเพรามันผิดแต่อะไรทําก็ไม่พลาดฉลาดเพราะมันผิดเป็นบัณฑิตเพ้าถูกตัดเตือนตัวเองเสมอว่ากลัเตือนตัวเองอยู่สมอมันงวอเห็นคอาง่อควมง้อของความรู้สึกตัวเราขนาดนี้มันเจ้าความง้อมาใส่เราเลือกเลือกว่าจะไม่ง้อหาวิธีที่จะไม่ง้อมันงงซ่าน ก็เป็นเรื่องของความผู้สัตว์มันต่างกันกับความมีสติมีความสงบมันก็เลือกได้พอมันเห็นแล้วมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันพบเห็นเพราะมันพบเห็นมันเลยเลือกได้เหมือนเราไปจากตลาดไปซื้อผักไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่อาซื้อผ้าซื้อเพื่อใช้ไม่จบเราเห็นเราเลือกจะเลือกสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดี บางทีก็ไม่ต้องถามพอเราดูเองเราจับตัวเองพาเราเห็นเองเราได้จับตัวเองมันสัมผัสขนาดนั้นตัรู้ตัวเองสัมผัสตัวความถิดมันก็ต่างกันกับสัมผัสกับควถสัมผัสกับความลงก็ต่างกันกับสัมผัสกับความไม่หลงสัมผัสกับความทุกข์สัมผัสกับความไม่ทุกข์ ความทุกขก็ต่างกันกับความไม่ทุกสัมผัสตุกคงามกสัมผัสตุกคงไม่โกรธมันก็ต่างกันความโกรธกับความไม่โใครบอกไม่มีใครบอกเป็นบทเรียนเป็นปัจจัดต่างนะเราจะเห็นสิ่งนี้ละการเห็นทำไปเห็นอย่างนี้ละเห็นไหมวันนี้เห็นมันง่วงไหมเห็นมันคิดไหมแต่เวลามันคิดเราทำยังไง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 ผล ก, กระทบตกตรงตรงนัง้นถ้่ากับวิรความคิดเขาพาไปเหมือนทิ้งดินเหนียวใส่ฝานังก็ติดไปการฝึกขดัดการศึกษาของชีวิตเราเป็นของกิงไม่ใช่คิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นความจิงเป็นของกิงเป็นการสัมผัสกับผิดกับถูกกับสุกักบทุกข์ เรารู้เราก็เลือกตัวให้ไม่เอาความผิดตัวสติเนี่ยถ้าสติแล้วเนี่ยเกิดความถูกต้ อ, องอะไอยากอะไอยากมาเป็นสตินะมาที่เราก็ให้ก้มหนา้าก้มตาสร้างสติสร้างตัวรู้ตัวรรสติมันเป็นภาษาวาลี จัดสร enfin ้างตัวรูดศึกตัวรูดศ <c ười> ึกตัวความรูดสึกตัวสร้างไปสร้างไปให้มีให้มากจากรูดหนึ่งรูดสองรูดสามจากรูดแล้วรูดอีกหายใจเข้ารูดหายใจออกรูดหรือเดินแต่ละข้าวรูเข้าวซ้ายก็รูเข้าวขวาก็รูดหรือยกมือสร้างจังหวัดสิบสี่จังหวัดสิบสี่รูดสิบสี่รูดรูดแล้วรูดอีกรูดกั อริบบที่เราทำรู้กับเจตนาที่เราตั้งใจให้รู้กับนิมิตตรงนี้แต่รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อันเดียวรู้อันเดียวตัวรู้สุดตัวก็จะเริญอนออมาตัวรู้สุดตัวมันจะเลืิอนกลมหลงก็เสื่อมนะมันเปนไปเมื่อรู้มากแล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียว ความรู้แล้วความชั่วความรู้สึกตัวประดังผลดีความรู้สึกตัวประดังมีจิตบริสุทธิ์สะอาดนะพอได้รู้หลายวันแล้วหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วพอมันคิดขึ้นมาปั๊บมันก็เลยออกพราะความคิดถือว่าทําให้ทําให้เปิดเพื่อนไม่น้อยเลยนะมันไม่เหมือนกับความรู้ความคิดที่ไม่ได้ทั้งใจหรือว่ามันเป็นการเกิดเพื่อน เหมือนเสื้อผ้าทีเราสวมใส่ไม่อะไรที่นประเด็นว่าถูกว่าเปิดเพื่อนมันก่อนเช็ด่อกความคิดที่หลงคิดเนี่ยสติจะทำหน้าที่รู้เสื้อตัวเราก็ไม่เอาไม่เอาความคิดตัควคิดไม่ได้ตางใจบางทีเห็นมันบ่ออเพราฉลาดมันบ่อเมื่อเราเห็นขโมยมาลักของเราเราก็ป้องกันเรื่อหรือมันเราลรอบู้ เราเเรั่วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อเรื่องหมูป่าล่อรว่วแล้วก็เขาก็ล่อหมาเข้าไปกินอาหารอยู่เรื่อยๆก็เห็นช่องเห็นหมามเข้าแล้วก็ปิดตรงนั้นไปดูอีกมันก็ปิดตรงนั้นไปดูอีกมันก็ปิดตรงนั้นเราเห็นมันเข้าเราก็ปิดตรงที่มันเข้าเพราะมันไม่ถูกต้องปล่อยให้หมาเข้าไปกินอาหารหมู เรากไปถกต่อแล้วก็ขยันขยันขยันฉลาดนะบางทีเราพอใจขยันมากมากเพราะมันไม่ถูกต้องมันจะเข้าไปนะขยันปิดขยันปิดปิดเล้กปิดปีเท่าปีดจนหมาเข้าไม่ได้คนผู้ที่รักษาทััพย์ก็เหมือนกันถ้าเห็นตะมวยมาเาก็เกิดการป้องกันเองคุ้มครองป้องกันเองความรู้เป็เจ้าของบ้าน คามหลงคิดเหมือนขโมยท่มาขโมยออกซักแบบพอคิดทีใดย็ล้ไปมือนกับขโมยมันก็ขยันรู้ที่มาพอคิดทีใดก็ได้ผมเรียนจากคคิดความหลงไปเรื่อยๆไปถ้ามีวนะแต่ว่าอย่าลงไปแต่ลงไปยินดีินร่ายกันว่าแต่เราสร้างตัวได้สำหระบไม่ต้องไปให้มันเกินนั่นไปนู่นพอพออคิดถึงนู่นพอพจะไป ถืะเอาผิดจนเถอนจนถูกแต่ไปให้มันถึงถูกถึงผิดให้มันลู่เฉยๆไปก่อนให้มันรู่เฉยๆไปก่อนอ่ามันก็ถูกอยู่ในตัวมันลแล้วก็อย่าไปตัวผิดอ่าอย่าประยาดได้ถูกถูกผิดมันจะเป็นข้ามันไปเอามันจะลู่จักแก้รู้จัดเปลี่ยไปถ้าเรามีความรู่สึตตัวละ บางทีเรากพจะเราดูดีๆดูเบาๆดูเบาๆแตะเบาๆอจะไปจับจนแน่นหนักนะมันเราจับปลาปลาวางตัวอะไรทีเราจับบอลบอมันจับได้ก็เราจับหนักหนักมันิ่งนะมณนดิ่เหมือนเราจับจับงูพิษเนี่ยเขาจับงูเนี่ยมือที่บอลบอลจับงูได้ จับสัตว์จับหน <oons> like ูเนี่ยเขาจับไม่เป็นหนักจนเดินมักาสทําก็เขาจับพอๆเขามาไปซอนขายมันหงอยมือจับนกบางทีจับนกเด็กบางคนจะบปึ๊บมันก็กัดมัก็ขาบมือถ้าเราจับพอๆมัไม่เป็รู้ลได้มกันมันจับได้มันเห็นได้นะกาเจริญสติเนี่ย ถ้าไปทำนักเกินไปจีงเกินไปมันจะเครียบมันจะพุ้งซานได้แปลกๆถ้าราลูไปหลงไปท่านบอมันไม่เป็นไรลูปเสร็จวววไปเกาอยากไปเน้นอยาไปบังคับอยากไปขี้อยากไปเพ่งลูปววลูปวววลูวววปบอมวววง่ายนะจีงใจอาจจะเป็นเรื่องยาก เบาๆค่อยทำไปมนิ่มนวลการที่เราทำททาาาาสิ่งใดเบวๆมันนิ่มการสัมผัสมันนิ่มไม่ก็ฟุดก็เฟียดไม่เตินตั้งไม่โอกเบยโวยวายนิ่มนิ่สุขขงอ่อนโยนยิ่งแยกยืดจุนอะไรบ้างตามเหตุตามปัจจัยนะมันจะง่ายนะความรู้สึกว่าจะติด ติดค่ะแต่ถ้าวังคนทงนักดาบอาจจะไม่ติดหลุดไปเลยหลุดไปเลยเออเราสัมผัส ด, ดูนะอ่าสัมผัส ด, ด, ดูถ้ากินจังอย่างนี้ก็เครียดไปเลยเหนื่อยบางทีก็เข็ดไปเลยไม่โซ่เลยพอทำลงไปก็จะ่วัดผลออกไม่ได้ทำไม่ได้ กเก็บเก็บความรู้สึกกับอรยตยบุตรต่างๆหนุ่มเล็กน้อยสวยโอกาสอย่าให้ความคิดนําหน้าเส ม, มอไปอย่าให้ความปวดมันนำเส ม, มอไปนำมันบางนำความปวดเห็นมันปวดโตดกทักท้วงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปวดของมวยเราถูกต้องเอามาเป็นบทเรียนเอามาใช้เอามาเป็นประสบการณ์ไปเลย ไม่ใช่ว่าเเข็ดหลับเห็นความปวดก็เข็ดหลับเห็นความง่วงก็เข็ดหลับไม่ใช่เห็นความง่วงหัวเราะความง่วงเห็นความปวดความเราความปวดเมื่อยเห็นความคิดหัวเราะความคิดไปว่าก็สนุกไปไเป็นความคิดตัวไม่ชอบอยาได้ความสงบพยายามเสี่ยงความผิดอยาได้ความสงบทำไมมนเป็นนี้มันคิดว่ ไปเอามาก็ก็ตั้งวิีมุกษะกลเป็นเสียใจทาสบายๆการทำอะไรท่านใจยดีตั้งคิดได้กมั่งน้าถ้าตั้งิดไ้ผิดผิดมมั่งั่งใเช่นความลงะบางบางทีหรือความลงมันชื้นใจรู้สึกว่าชื้นใหรือบางทีคนมาตักเตือนเนีรู้สึกว่าชื่นจจ แต่บางีบางคนเห็นกราหลงก็จะบอสอยเศร้างอได้ยินเองคนตัดเตือนบอกทาใจไว้เองก็เกิดความไม่พอใจคุ่นเคืองโอ้คนที่มาเตือนเราเนี่ยมันดีที่สุดมันชื่นใจเพราะคนเตือนตัดเตือนเขาว่าอะไรแต่บางคนก็เลยแต่เราทำทีนะแต่เราดูสึกรัว แม้บางคนเนี่ยไม่อกแม้ผิดไปไม่หลอกยังความตับเตือนเนี่ยก็าจะบอกไม่ปลอกภัยเพราะอะไรเพราะตั้งคิดเรือยคิดคิดแม่แต่สามีปัาเนี่ยย่าตั้งคิดเรื่อยคิดเพแม่กับลูกต้องกันตั้งคิดเรื่อยคิดคิดกันว่าอะไรให้เขอธมดาโกรธง่ายโมโหง่ายมันตอมันบาปเราก็ฝูกั ม, มันผิดก็กับยิ่มหัวเราะก็ผิดตัวอยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโทษกโ่นไม่เป็นนะเดี๋ยวเดีวก็มงงก็ไม่เป็นนะแก่เอาแล้วก็เปลี่ยนได้เนี่ยมันเดี๋ยวมจะสนุกกัาทุกคนนะฮเหมือนเหมือนกันแด่วไปเด่๋วไปสมัครว่าเขาดีกว่าเราไปสมัครว่าเราเรียวกเขา อ, อย่าให้มีความคิดเปรียดเที่ยง คือบางทเราสำคั้ว่าเราเลิกพวกเขาเขาเร็วก่าพอยากไปสำญนะไปสบายๆธรรมดาไปก็คิดเหมือนกันอาจจะง่วงอาจจะปวดนี่เท่ากันแะลูกคนเดียวกันนานๆก็ปวดข็ง่วเหมือนกันบทีเราก็ทนได้บางทีเราก็ทนไม่ได้ไม่ไป็น้เดินมากๆก็ไม่มันก็ไม่ไหวตัวปวดตัวเมื่อมากๆนานๆก็ปวดตัวเมื่อ ถนอนก็ปดตรงหมันกัดนอนมันมีคนามุนอนสักเก็บนใช่แล้วมันไม่ไหวมันดแต่นั่งเลยความสุขนั่งยักเก็บคนมันรกวนมันัอ่มคนเจ็บโวยนะบาง่อไปโดนแต่คนเจ็บคนปวดอาผู้ลุกแน่เอาผูลุกแน่อ่ารอกหาคนมาช่วยลูกว่าเอไว้นอนลเอาคูลุกแน่เอาุกน เอาไปเตารุกหน่อยเอาหัวนวดนอหัวนวดเนี่ยเ น, เนี่ น, นั่ก็ไม่ไม่ใช่สไม่ใช่เลนะคาสุดความทุกข์จากสิ่งต่างๆให้มันเหนือนยนะให้มันเหนือ่อยเอ่อนยบททั้งสิ่นี่มันเป็นมันเป็นตัวทุกข์ที่เราจะต้องรูกจับไม่ใช่จะไปชอบอางทีเราเดินได้ชั่วโมง จะปวดจะเมืยก็ให้เห็นเสว่าการเวทนาที่มันปวดมันเม่ยเพราะการเดินมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่หรอนั่งดีกว่าอย่าิดอะไรถ้ามนั่งก่นั่งโดยความรสุขตัวอยากไปนึกว่านั่งมันดีหาความสุขกับการก็ไม่ใช่การนั่งก็ไม่ใช่ความสุขนะมันก็เป็นนี่บทที่มันจะต้อดบันถอทุกตามธรรมชาติให้รู้เถอะว่าอยไปหาสุขหาทุกข์จัดการยืนเดินนั่ง จะไปหาลู่ไปรู้สึกว่าไปชอบความอิ่ความอะไรต่างๆมันหิวมันอิ่มันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องไปสุกไม่ต้องไปทุกบางทีอิ่เป็นสุกก็ไม่ขตดบางทีหิวเป็นทุกก็ไม่ขาดให้ถือว่ามันเป็นเวทนาแค่เวทนาเท่านไม่ต้องไปสุกไม่ต้องไปทุกได้ไหมถ้าได้เราก็เก่งอินซีจะแกกล้าฮะ เอนซีติดแก้วจะไม่กลัวอะไรเลยถ้าไปชอบอันหนึ่งไม่ชอบอันหนึ่งมันจะอยู่ในโลกเรียกว่าชีวิตจิตใจอยู่ในโลกโลกก็จะทับท้องเราจริงแล้ว น, น, นั่นก็เหมือนเราเหมืนภาษาญี่ปุ่นวาทค์ของภาษาญี่ป่ว่าเราจะอยู่เราจะอยู่กับตัไม่อยู่กับจิตไม่ให้จิตบังคับกับไส้เราจะอยู่กับตั แล้วอยู่กับตนให้มั่นคงที่าราตนเองจนเกิดญาณทัศน์ปะตอมายาตุติยาปะทงมาฌานตุติยาานตะติแชฌานจะตุทัชฌานปันจะมัจฌาเพราะตนตนตัวนี้คือตนที่มความรู้สึกตัวที่ฝึกดีแน่นมีตนเป็นที่อยู่ แต่เหตุตัวโน้ตัวตนเป็นที่พืนของตอนเพราะเราฝึกขัดมาเราจึงมีตนตนัวไม่ใช่ตนคือโกูคือธาตุคืสีคือผู้หญิงคือผูอ้ชายคือเราเป็นพระเราเป็นโยมนะฮะตนคือคุณวรตถุที่เราฝึกห่ดทึด้งนีสติน่ะคืตอตนเราฝึกมาเราก็มีความเข้มแข็งเราฝึกสิงไหนต้องมีความเข้มแข็งสิ่นั้นเราหขดออกโยคะเราก็ไ่นโยคะ เ้ามัดเดินนานๆเรก็เดินนานอกาเดินจงกรมนานๆเนี่ยหมอะที่จะเดินทางไกลไม่่อยจะไม่ล้าขึ้นเขาลงหวดไม่ค่อยจะไม่ล้าคนผู้เดินสุกขมอ่าจะไกอเนี่ก็เนี่ยเห็นท่านเดินมาหน้าดำดหน้าหน้าหลวงอ่าแดดตากลมมา โดนหน้าพั ด, ดน Hoy, ุ oh ่นนอนอ่างดำปีเโอ้สวยนะทำไมสอนทำไมต้องพอกันนอนเดินจอดลงเลยถึงเชียงหม่อยคี่สิบขวน่าดำปีโอจะว่าน่าละเพราะนั่นการที่เดินเนี่ยมันก็เชื่เียงเหมือนกันเดินทางการนเวลาคนที่เดินจะพอคนที่นั่นได้นานก็ดีเหมือนกันจะได้ จะได้ไม่วันววนะ่นไหลยนะนะมีอะไรที่เราเคยฝึกมาเราเคยสู่มาเคยทนมาเคยทำได้มันก็จะเก่งขึ้นไปนั่นต้องฝึกสิฝนะึกนะเฮยรู้สิตัวนั้นมะานะนะนะความหลงที่มันหลงไปแล้วเรารู้มันก็มันก็ต่างกัได้คำตอบได้คำตอแต่เปนตัว่าจะเปิดกวควาหงหว่า อยากไปกวาวของคิดอยากไปกลัวของหมกอยากไปกลัวความทุกข์พราะว่มันาือนก็ว่าเรามีจ้ของเร า, ามีสิทธิเรามีอำนสตินี่เหมมีอนาจสติมันเป็นใหา่เป็นธรรมมีอานาจถ้า อ, อยากจะมาไปครองกายของใจแนละเหมือน พ, นนะพ้อแม่พอแม่เนกบกคนต่อลูกกตัญญู เป็นองป์ระการีุกคนเวลาลูกเจ็บไข้เป็น่วยไม่ต้องขอรอ้องพ่อแม่จะช่วยเองนะท่านจะช่วยเองนถือว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยชั้นใดก็ดีถือว่าสติสมัชฌาย์ที่มีในกายแต่ก็เป็นหน้าที่อุปก า, าระสมอุปก า, าระมากพระพุทธเจ้าเปรียบเทียมเหมือนพ่อเหมือแม่ผมรู้สึกว่าจะช่วยการช่วยใคร แล้ ugh, วนี้เรายังไม่มีเหมือนเป็นกำพร้าเหมือนเป็นคนรับพักตัวอาภัพเสติเราจะทัดไปสู่ความสุขทัดไปสู่ความทุกข์ทัดไปสู่ความโกรธความโลภความร้องทัดไปสู่ความรักความตายเพราะไม่มีอุปการพลค่อยตัวใดเราจะมาสร้างมาสร้างความรู้สึกตัวให้อยู่กับกายความรู้สึกตัวให้อยู่กับใจให้อยู่นาน ให้กายได้สัมผัดกับความรู้สึกตัวให้จิตได้สัมกัดกับความรู้สึกตัวแล้วจะเกิดปุพพการลคนหลายหลายอยา่างเหมือนแม่กับลกูกเหมือนพ่อกับลกูกเป็นอย่างรพระอริเจ้าตรัสว่าผู้ใ ด, ดมีสติคน้นั้นเหมือนอยู่บ้านพอ่ออยู่บ้านแม่หุ่นใจ วเวลาเราไปหมันก็ไม่เอาเองนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะแต่นี้เราไม่มีความรู้สึกตัว เ, งงเวลาเราหลเอาความหลงเวลามันโกรธเอาความโกรธเวลามันทุกข์เอาความทุกข์เพร า, าไม่มีความรู้สึกตัวเราอยากไปโทษคนอื่นมันขาดธรรมมันขาดบุญคนขาดบุญจึงเป็นทุกข์คนขาดธรรมจึงเป็นทุกข์ก็เอาตัวเราทีเข้าไปอยู่ในความทุก หนึง่งวัองวันบางทีเข้าไอยู่ในความสุขหนึงงหน่งวันสองวเข้าไปอยู่ในความโกลกความผิดความโกูได้กรต่อตาเก็ไม่เป็นลำลำพันโยนะเราเป็นหมอศึให้ให้ก่อนรู้สึกตัวให้กอนรู้สึกตัวเป็นคู่ ก, กับกายเป็นคู่กับจิใจเราเนี่ยเราจะตอบเองหรไม่ต้องหาคำตอบอ่านปฏิบัต เป็นปัจจัยต่างของใครของเรานะวันนี้เราปึดโลว่าจะฝึกดีๆให้ใส่ใจสักหน่อยจิเนาลาดรวบรวมอินทีมีศรัทธา <c oughs> แล้วก็มีธรรมวิทยาในใจเข้มขมง้อก็มีธรรมวิทยาดูก่อค ง, ง, งามในง้อเวลาง้ใส่ใจความในง้อ เวลาเราองมาใส่ใจก็ไม่หลงมีธรรมวิเศษได้ครบสัจตบุษได้ความทับได้มีผู้เหมผู้สมได้อยนิสมนัสสิการในใจบ้านมีหลายอย่างอย่างมีอันสอนอันเติมเตมมีศีลจำนวนินสีว่านจะปลอะ่อยป้ะเลยหมกหม่วนคนคิด เ ร, บบเราจะทำโรนองว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้พิกมือขึ้ น, น, นพิกมือลองหาที่หน้าที่เหมาะกายวิเวทปรีวีเวทนะปรีดีเวทต้องพิกมือเคลื่อนไว้ไปมาให้กายวีเวเมื่อกายมันวิเวทแล้วมันก็เกิดจิดตตะวิเวกสงบจิตลงไปเมื่อจิตมันวิเวทแล้วก็เกิดอุปาธิวีเวทสงบจากฆ่าเสร็จ คิดแบบสถาปนิกว่าจะเราช่วยตัวเราให้เป็นอย่าอย่าเงี้ยคลอนแคลปรับใจปรับใจอะไรต่างไปฝังลงไปตั้งอไปตั้งไหวตั้งแหวงไปใส่ใจเจตนาเจตนาเคลื่อนไหมือเจตนาหายใจอยากให้มันฟรีหลชีวิตเราฟรีหมดเลย เพื่อนไหวเต่ไม้ก็ฟรีหายใจก็ฟรีเดินก็ฟรีแม่มันคิดหลงก็ฟรีให้เห็นความหลงบ้างให้เห็นความไม่หลงบ้างสามผัสความหลงสามผัสผความไม่หลงอย่าให้มันฟรีถ้าฟรีไม่เป็นกับเป็นกระตักระกำกระตักระกำไม่ม็นลแม้จะปฏิบัติทมนั่นแปดชั่วโมงแต่ว่าใจลอย คนคิดในลมที่คนคิดไม่มีสติแม้เธอจะนั่งอยู่สามชมั่วโมงสีชง่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเ็ดชัแบบช่วโมงแปดชั่วโมงก็ถือว่าพิกสูบนั่นเป็นคนเกลียดพลาแต่ว่าเกลียดคาดหน้าบกมุ่มคนคิดไม่มีสตินะแต่พิษสูดใดเมื่อเธอนั่งอยู่ เวลาเรามองเธอเวลาใดเธอมองมุมควาคิดเธอสลับความคิดมีสติรู้สึกตัวแม่เธอนอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ก็ถือว่าเป็นโู้ที่รลอความเคียดมาอยากฟรีนะอยาให้มันฟรีอยากหลงฟรีอย่าทุกข์ฟรีอยากโกรธฟรนะีให้รู้สึกตัวความรู้ไปเกี่ยวข้องเลยมันจะ มันจะเฉื่อยมันจะมีสียสติอินรีย์เนี่ยมันจะเจ็บก็เพราะมันเห็นนเหรอมันเลยใช่ะหรอใช่มั้ะมันก็เจ็ว่าเหมือนมันต้องอยู่ในน้เหมือนเถาวไม้ที่มันอยู่ในน้ำก็แก็เอาไปมัดเอาไปทําเป็นเชือกเอาไปทําเป็นอะไรก็น่ะมันไม่ออกอินรียสติอินซีย์มันแเจครับนะ เดี๋ยวลูกรถกลินเสียงมันแก่ปว่าสติอินทรีย์สติอินทรีย์มันออกอก็เลยขับง่ายอยู่ตั้งตั้งอยู่ได้ไม่นานเรจึงมาตั้งตัวนี้ให้รู้รู้สุดทงรู้เอาไว้เหตุตกให้เป็นขัดช่วยโอกาสให้เป็นนิดหน่อยก็ยังนี้จากทิตาก็รู้จากเส้นน้ำลายก็รู้หัดช่วยโอกาสหัดช่วยโอกาสเหตุหอมรองริ้ อย่าใช้อย่าจับถนนถนองมันเราตั้งฐานนะสร้างครอบคล้าสร้างตัวเก็บของรองริบเป็มีอะไก็เก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไว้แล้วขึ้นราคาเาสร้างบ้านสร้างเรือนนะอย่าจับนำมาทำเอาตัวใครตัวมันนะหลงก็หลงเองแก้ความหลงก็รู้เองนะใครเห็นความหลงนอกจากตัวเรา เ้าก็เอาเพียงแต่โห้ชตอเป็นเพื่อนเป็นเมตรกันน่าโมทนายอย่างยิ่งที่มีน่าแจงมาปฏิบัตนะิแล้วก็เป็นดีตอนแล้วพรารชาติเพราสมทีนมาก็รือว่าบ้านก็มาอยู่ร่วมการศึกษาเลยกันสุขทุกข์ด้วยกันก็ นี่คือมังไทยเรานี่คือพุทธบริษัท น, น็นภิกษุภิกษุณีวาโสปาสิกาเป็นอของจริงพกเราศึกษาสาขาวิธีพวกเราอยู่โดยชอบมีสติมีสัมผัะโลกก็จะไม่ว่าจากภาลังตะเคีพิกะเวภิกขุสัมมาวิหารเลยยุ่อสศนโยโรโกรหันเตยัสสิกษุทั้นหลายเมื่อพูอ วาสุภวิชาทั้งหลายเมื่อเวกเธออยู่โดยชอบโลกจะบไม่ว่าจับวัฏสงสารนี่เป็นเ็นวาสุภวิชาที่ามสองของพระภูิราชาการอยู่โดยชอบปรยชน์นี่อยู่ด้วยความมีสตัวเรียกอยู่โดยชอบอ่าตอีก็ตอนนี้ก่อนก็ขอุติไวแต่เพียงเท่านี้